เทียบเคียงได้เพราะว่าเมืม่อเป็นาสุขตัวแล้วเนี่ยใจก็ปลอดโปรนะ่งเบาสบายความทุกขนะ์ความโกรธความเศร้าความอาลวรความครับแค้นใจกนะ็เข้ามาบีบคั้นเผาล้นเล่ห ง, งานจิตใจได้ยากผู้ชาวจดว่า บุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวอยู่อคติสารกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอคติสารธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปส่วนกุติสรธรรมใดที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นบุคคลเมื่อมีความรู้สึกตัวอยู่ความรู้สึกตัวนั้นจําเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่เพื่อความตั้งมั่นไม่เลือเล่อนเรือนไม่นตรธานแห่งพระสัจธรรมพระสัจธรรมอันนี้ก็แปล ง, ง่ายๆก็คือ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 ชนิดนี้ให้กับจิตใจแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามมากขึ้นเพราะว่าถ้าเรารังรอผัดผ่อนคิดว่าตัวนี้ฉันก็สบายดีอยู่แล้วนะฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วไอบ้บานชนิดนี้เอาไวท้ทีหลังอันนี้ก็เรียกว่าประมาทนะเพราะว่าเราก็ไม่หล อ, อกว่าเราจะไปไปเจออะไรข้างหน้าที่ทำให้เราเนี่ยเรียกว่า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 อารมณ์ต่างๆครอบงำความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายใจความคับแค้นใจถึงตอนนั้นเนี่ยจะสร้างความสึกตัวขึ้นมาโหยากเลยหรือไม่ก็พอแก่ตัวพอแก่ตัวเนี่ยนะความสึกตัวมันสร้างยากนะถ้าเราไม่ทำอย่างตอนนี้แล้วคงจะเห็นคนแก่อรอบตัวบางทีก็อยู่ในบ้านเรานี่แหละ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 เมื่อหเนะี่ยเมื่อนั้นก็หมดโอกาสแล้ว้การสร้างความรู้สึกตัวการทำคุณงามความดีสร้างประโยชน์ตนให้เกิดขึ้นมันก็สิ้นสุดลงเพราะนั้นในขณะที่เรายังมีสุขภาพดีมีกาลังวังชาแล้วชีวิตของเราก็ยังเรียกว่าไม่ไม่ได้เกิดวิกฤตนะยังราบรื่นพอสมควรก็เร่งสร้างความรู้สึกตัวไว้นะทำความรู้สึกตัว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 นายทานตั้งโกรธมากแนละ้วไม่เคยมีใครพูดกับตัวเองแบบนี้ในรถมีปืนก็คว้าปืนมาแล้วก็ลงจากรถเดินตามหลังผู้ปกครองคนนั้นตอนนั้นโกรธมากเลยแล้วเรานึกภพภนแะล้วตรงนึกภาพออก น, น้วว่าตำรวจนายทาวนั้นกาลังจะทําอะไ ร, พระเพอ น, นะมีพลเมืองดีเป็นเป็นพนัก ง, งานขับรถของโรงเรียนอยู่ตรงนั้นแล้วแกก็ดีนะแกก็รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น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 แล้วจะมีคนมาเตือนมีเสียงมาทักเนี่ยมันหวังอย่างนั้นไม่ได้นะเราต้องหาทางช่วยตัวเองอย่าไปหวังพึ่งตัวช่วยเสมอไปช่วยตัวนคือทำความฝึกตัวของเราให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอด้วยการสร้างสติฝึกสติของเราให้ไวให้รวดเร็วนะให้ทำงานฉับไวและนั่นแหละนะมันจะทำให้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 ถึงแม้จะรักษาศีลถ้าได้ครบถ้วนเนี่ยก็ยังเมาอารมณ์ได้หรือเมาความคิดคนเราเนี่ยเป็นทุกเพราะเมาความคิดเมาอารมณ์ที่แรกก็เมาความคิดก่อนคือมันจมหลงก็ไปนในความคิดคิดเรื่องลูกเรื่องพ่อแม่เรื่องงานเรื่องการหรือว่าหัวนึนึกระลึ ก, น, ก, น, ก, น, ก, น, กนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดบาดแผลที่สร้างบาดแผลในจิตใจอตรงนั้นให้รู้ว่าตอนนั้นนเมาแล้วนะเมาความคิดแล้วต่อหลังพอเกิดอารมณ์ขึ้นมา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 สงบนะเนี่ยพอมีความสึกตัวในี่คอยดูแลษาคอยประคัประคองใจเป็นบ้านที่ประเสริฐมากบางคนบ้านหลังใหญ่นะแต่ตายไม่สงบนะตายไม่สงบทุรนทุรายทั้งที่บ้านก็หลังใหญ่เป็นปเป็นคฤหานแต่ถึงแม้เราจะอยู่กระท็อบนะแต่ถ้ามีความสึกตัวนี่เราก็สามารถจะตายสงบตายดีได้ ก็าฝากเอาไว้นะเาชา้านี้เอากาบพักพร้อมกัน